เมื่อสองปีก่อนได้มีโอกาสไปประเทศจีนนะกับแมชิอูดแมชินนี้แล้วก็มตัตตุไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศที่แถวกวางโจวแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนวัดเก่าๆที่เมืองกวางโจว วัดหนึ่งก็คือวัดกวงเซี่ยวเป็นวัดที่มีความสำคัญเพราะว่าเกี่ยวพันกับชีวิตของท่านเวหลังท่านเวลางนี่ก็เป็นพระเรียกว่าคนสำคัญนะของจีนในว่าจินไ่ใต้ถือว่าเป็น ต้นกําเนิดของรัฐที่เซนไรเฉียวนะเซนนี่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าภาษาจิงก็คือชานหรือชานน้ท่านเวหลังนี่ก็เป็นพระที่คนไทยรู้จักกันไม่น้อยนะอาจารย์พทธาสท่านก็เคยแปลบทนิพนธ์ของ เรียวบันทึกดีกว่านะบันทึกคำเทศนาของท่านเวีหลังเรือสูตรของเวียงหลางลว่ากรุงเซียวนี่ก็สร้างมาเป็นเรียกว่าเป็นพันปีแล้วมั้งมันมีช่วงที่เกี่ยวกับประวัติช่วงต้นๆของท่านเวีหลังก็คือว่าตอนท่านเป็นเปคาราวาดอยู่แนละ้วก็มาที่เรือหนีภยัยดีกว่านะหนีภัยมาที่ กวางโจแล้วก็มาที่วัดกวงเซี่ยวตอนนั้นก็กำลังมีการแสดงทำก็คนก็มาฟังกันเนืองแน่นเน่ยจนกระทั้งลุนออกมาที่รุนออกมานอกสาลาก็คนที่อยู่นอกสาราเนี่ยคงไปเหไปไ ป, ไปเหลือกเห็นทงนมันปลิวปลิวพิวไหวคนนึงก็พูดขึ้นมาทงมันไหว อีกคนหนึ่งก็แย้งว่าไม่ใช่ทงไหวมันลมไหวที่แล้วคงจะเถียงกันสองคนกันนะเถียงกันไม่ลงเพราะก็ว่าคนก็มาร่วมร่วมถือหางแล้วร่วมถกเถียงด้วยจนเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ว่าทงมันไหวกลุ่มหนึ่งก็ว่าลมมันไหวเถียงกันคงจะหน้าดำหน้าแดงเลยถ้าเวลาอยู่ในตรงนั้น ก็เลยเป็นคนแปลกหน้าของที่นั่นเะพอเพิ่งมาใหม่ๆได้ยินคนถกเถียงนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าเนี่ยใจพวกท่านไหวตั้งหากบรกว่าคนทั้งสองกลุนะ่มนั่นก็ก็ได้สติขึ้นมานทันทะีแล้วก็รู้สึกถึงนะว่าไอชายแปลกหน้าคนนี้น ะ, ะพูดแปลกดิ แลท่านวยหลัง น, นี่ก็ก็ก็เชื่อว่าบรรลุธรรมแล้วนะแต่ว่าอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ลบลี้หนีภัยมาเพราะว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสังฆปรนิพองค์ที่หกน ะ, ะคู่ก็มีพาะกลุ่มนึงไม่พอใจก็ก็ตามล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะ ในประเด็นนี้ที่ท่านไวหลังนะทวงพระแล้วก็ผู้คนนะที่กาลังถกเถียงกันคนเรานั้น่ะเถียงกันนะว่าทงไหวหรือลมไหวจิตนะส่งออกนอกโดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าตอนนั้นใจนี้กาลังรุ่มร้อนสนใจแต่ทงสนใจแต่ลม แต่ว่าไม่รู้ไม่เฉียวใจว่าใจของตัวนี้มันกําลังรุมร้อนแล้วจิตกําลังกระเพื่อมแะด้วยอาจจะด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจแล้วก็ไม่รู้ตัวพอท่านเมื่อหลังพูดเชนี้ก็ได้สติขึ้นมาทีนทีคือท่านชี้ให้มาดูที่ใจให้มารู้ว่าใจของตัวนี้กําลังกระเพื่อมกําลัง สั่นไหวไปด้วยความโกรธความไม่พอใจอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าคนเราเนี่ยนะอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกจนลืมใจของตัวจะเถียงกันเรื่องทงไหวลมไหวก็เถียงกันไปนะแต่ก็อย่าลืมดูใจของตัวนะว่าใจตัวเป็นอย่างไรนะ ใจของตัวไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าไปทุ่มเทียงกันในเรื่องนอกตัวนี่มันก็มันก็เรียกว่าน่าละอายเหมือนกันนะไอสิ่งใกล้ตัวที่สุดนี่ไม่รู้เลยนะไปสนใจสิ่งนอกตัวสิ่งไกลตัวจะเถียงกันนะจะพิปรายโต้แย้งกันเรื่องทงไหวลมไหวก็ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ก็อย่าลืมดูใจของตัวอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะขณะที่กายทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือเอรบทพื้นๆเช่นอาบน้ำล้างหน้านะถูฝันขับรถหรือว่าทำงาน ในเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะอันนี้เป็นความจำเป็นของชีวิตเรานะต้องทำมาหากินนะต้องหุงข้าวต้องกินข้าวแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีใจนะก็กลับมาตามดูรู้ใจของเรานะอยู่เสมอไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปเพ่งมานเลยนะที่จริงเนี่ยมัน มันมีตัวหนึ่งนะที่ทำหน้าที่ที่จะเตือนนะว่าใจเราเป็นอย่างไรสิ่งนั่นคือสติสติเหมือนตาไนที่คอยเตือนเวลาใจเราก็เพิ่มเนยะก็เหมือนมันก็จะจิตสติมันก็จะเหมือนกับเป็นส่งสัญญาณให้เรารู้นะว่าตอนนี้ใจนี่นะมันก็เพิ่มแล้วใจไม่เป็นปกตินะ ไม่ใช่วัยต้องกลับมาเฝ้าดูใจของเราตลอดเวลาอันนี้ก็เสี่ยงนะเช่นขับรถเนี่ยขับรถเราก็ต้องมองมองไปข้างหน้าเนีเราก็รับรู้ว่าข้างหน้าถนนข้างหน้าเป็นยังไงปลอดภัยไหมทางลู่ไหมถ้าเรามัวแต่ไปจดจ้องดูใจของเราว่าใจตอนนี้มันกำลังเป็นยังไงคิดยังไงมันมันไม่ไหวนะมันก็อันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยสติมันก็เป็นตัวบอก มันก็นเป็นตัวส่งสัญญาณนะพอใจก็เพิ่มเข็มก็กระดิกเลยนะเข็มกระดิกนหมายถึงว่ามันก็บอกเราแล้วนะว่าใจเป็นอย่างไรแต่ใหม่ๆเนี่ยนะก็สติก็ยังอ่อนไม่ไวก็ต้องเจตนากลับมาดูนะกลับมาสำรวจใจของเราเป็นครั้งคราวอยู่บ้างอันนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกัน นะแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรมากระทบนะมันเผลอเลยนะมีอะไรมากระทบใจก็จะส่งจิตออกนอกทันทีก็จะลืมเลยนะว่าต้องกลับมาดูแต่ถ้ามีสติของเราฝึกเอาไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะคอยเตือนคอยบอกเพราะว่าจิตสติคือตานในนะหรือว่าสัญญาณนะที่คอยบอก บอกให้ใจเรารู้ว่าใจเป็นอย่างไรนะให้เรารู้ว่าอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอาร อ, อารมณ์ใดที่มันกำลังจะครอบงาจิตหรือความคิดใดที่กำลังปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งมันช่วยเป็นการรักษาใจไปในตัวนะเป็นการช่วยรักษาใจในด้านหนึ่งสติมันก็ช่วยทำให้เราทากิจการงานต่างๆได้อย่างอย่างราบรื่นนะ เพราะวาเวลาเราทำอะไรนี่ก็ต้องมีสติใจเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นด้วยเวลาเราขับรถใจเราก็อยู่กับการขับรถเวลาเราหุงข้าวใจก็อยู่กับการหุงข้าวนะเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดแลยใจเราก็รับรู้อยู่กับการขึ้นลงขึ้นลงบันไดเหมือนกับเราเดินเมื่อเช้าเนี่ยนะใจถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าข้างหน้านี่นะมันมีกวดมีเห็นหรือเปล่านะ ในการที่เดินแตะหินนะหรือว่าการที่ไปเดินเหยียบหินที่มันแหลมหรือมีเศษแก้วเราก็รู้แล้วเราก็ไม่ทําไม่เหยียบมันในเรงสติเนี่ยมันทําให้เราทํากิจการงานต่างๆได้ดีนะเป็นสิ่งจาเป็นสำห ร, รับการทากิจนะแตกในเรื่สติมก็ช่วยทาให้เราเป็นการช่วยรักษาจิตเราไปด้วยในตัวนะ ก็เลยเป็นการทำจิตเป็นการรักษาจิตไปพร้อมๆกันทำกิตและทำจิตอาศัยสติทั้งนั้นเวลาทำงานและทำงานอย่างมีสติเนี่ยนะก็คือว่าเราทำด้วยใจเต็มร้อยภาษาฝรั่งเนี่ย ม, มันมีคำเรียกสติที่แตกต่างกันนะ ภาษาแทนคําว่าสตินี่มันมีความหมายหลายแง่หลายมุมแต่ฝรัง่งเนี่ยเวลาแปลสติเนี่ยก็จะแปลเป็นบางแ ง, ง่บางด้านอย่างเช่นบางทีก็แปลว่า mindful นะ mindful หรือ mindfulnessmindful ก็คือว่าจะเรียกว่าใจเต็มร้อยก็ได้เวลาเราทําอะไรอย่างมีสติเนี่ยก็เรียกว่าทํางานอย่างมี mindful นะก็เราเรียกว่าทําด้วยใจเต็มร้อยก็ได้คือใจมันไ ม, น ม, นมน่มันไม่มันไม่วอกแวกไป ไปทางน้นทางนี้เลยนะไม่เผลอไม่ไพลนะแต่ว่าถ้าเป็นการระลึกการระลึกได้นี่ก็มีอีกคำหนึ่งใช้คาว่า recall หรือ recollect นะ น, นี้ก็สติเหมือนกันนะ recollect สติภาษาฝรั่งนี่เขาต้องแปลสติเขาไม่มีคำว่าเขาไม่สามารถจะแปลไม่หาคำที่มาแทนสติได้เต็มเต็ม คบถ่วนทุกความหมายนก็ต้องหาคำมามาใช้กับบางแง่ของสติถ้าเป็นเรื่องของการที่มีจิตกาหนดรู้อยู่กับการทำสิ่งใดก็ตามก็ใช้คำหมา f u l ถ้าเป็นการระลึกนึกถึงสิ่งที่อยู่ในความทรงจำหรือระลึกถึงคำสอนเราก็เรียกว่า r e collect เรา recall เรียกว่าภาษาไทยมันก็โชคดีนะพอสติจะเป็นภาษาบาลีมาการเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็สามารถจะ เ, เข้าใจความหมายของคำคำนี้ได้ครบถ้วนทุกแง่เหมือนกันแต่ก็ต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาเนี่ยก็จะเข้าใจเพียงบางแง่บางมุมเท่านั้นของสติอันนี้ก็บอกไว้แล้วว่าสติเนี่ยมั น, เ อ, มนเอามาใช้ทั้งกับกิจการงานก็ได้ แล้ขณะเดกีก็มาใช้ดูใจของเราด้วยและถ้าไอ้ส่วนที่อามาใช้ดูใจเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยรักษาใจช่วยสาใจให้เป็นปกติช่วยรักษาใจไม่ให้ความโกรธความเกลียดความเศร้ามาครอบงําย่ำดีหรือว่ามาเผาลนบีบคั้นติดใจถ้ามีสติรักษาใจใจก็เป็นสุขใจก็ปลอดภัยภัยของคนเราเนี่ยมันมีสองชนิดนะ อันแรคือภัยภายนอกอนะอาจจะเป็นรถยนต์ที่พุ่งมาด้วยความเร็วอาจจะเป็นสิงสารสาัตว์งูเห่าเี้ยวคออาจจะเป็นหลุมบ่อหรือว่าภัยธรรมชาติอาจจะเป็นอาหารที่เป็นพิษนะแล้วยิ่งสมัยที่เร า, บ, าบรรพบุรุษของเรายังอยู่ป่านี่โอ๊ยภัยภายนอกนี่มันเยอะมากนะทั้งเสือทั้ง ตั้งงูนะหรือว่าช้างนี่ยเราจะเป็นต้องอาศัยอายตนะทั้งห้าเนี่ยในการที่จะช่วยรักษาช่วยเรให้ปลอดภัยมีตาไว้ดูว่ามีสัตว์ ร, ร้ายอยู่ข้างหน้าไหมหรือว่ามีเผ่าเผ่าตรงข้ามที่เป็นสัตรตูเนี่ยมาคอยสุ่มโจมตีหรือเปล่ามีหูไว้ฟังนะเสียงที่มันผิดปกติ มีจมุกไว้ดมกลิ่นนะกิ่นสาบเสือกินสา์ช้างซึ่งเป็นอันตรายมีลิ้นไว้คอยรับรู้ว่าอาหารที่กินนี่มันมีพิษหรือเปล่าโดยเพราะรสขมนี่นะลิ้นเราจะไวเป็นวิเศษเพราะส่วนใหญ่พิษเนี่ยมันจะมันจะมีรสขมนะถ้าหวานและเป็นอันใช้ได้นะว่าขมไม่อันตรายนะ ลิรเราก็เลยชอบรถหวานด้วยแล้วเรามีตาหูจมูลิ้กายเนี่ยเอาไว้คอยป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอกผู้ใจเรียกว่าเป็นศัตรูที่เปิดเผยหรือเป็นอันตรายที่เปิดเผยแต่มันก็ยังมีภัยจากภายในนะผู้เจ้าเรียกว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดนะก็คือมันมองไม่เห็นด้วยตาไม่มีทางที่จะเห็นด้วยตาหรือได้ยินด้วยหูเลย หรือว่ารับรู้ด้วยลิ้นอันนี้ได้แก่อะไรได้แก่ความโลภความลกลัวความหลงความความอิจฉาลิษยาความถือตัวอันนี้พระเจ้าเรียกว่าภัยที่ปกปิดหรืออันตรายที่ปกปิดสมัยก่อนเนี่ยอันตรายภายนอกภยัยภายนอกนี่มันมันน่ากลัวกว่ามันทำให้ถึงตายได้อายุสั้นแต่พอเรามาถึงยุค ป, ปัจจุบันนี้ ให้ภัยภายนอกนี่มันก็น้อยลงนะยิ่งถ้าอยู่ในสังคมที่มีสวัสดิภาพสวัสดิการดีเช่นสังคมอย่างในญี่ปุ่นในในยุโรปเนี่ยภัยจากภายนอกนี่มันน้อยมากทีเดียวผู้ร้ายโจรขโมยก็น้อยนะไอรถที่จะมาขับรถชนเฉียวชนคนตายนะเฉียวชนคนเดินถนนคนขี่จักรยาน หรือว่าอุบัติเหตุมันทนเหนือก็น้อยภัยจากภายนอกมันน้อยมากนะสําหรับคนในยุคปัจจุบันภัยธรรมชาติก็ก็มีเป็นครั้งคราวแต่ที่อันตรายกว่าคือภยัยภายในนะ่ะอันตรายที่ปกปิดนี่ยเพราะว่ามันทําให้ถึงตายได้นะเพราะเดี๋ยวนี้คนเครียดมากๆเครียดมากๆก็ก็เป็นบ้า หรือแม้กระ่งคุ้มคลั่งแล้วนะคุ้มคลั่งนี้ว่าจะทําร้ายตัวเองหรือว่าทําร้ายคนอื่นอย่างต่างต่งก็ทําให้เจ็บป่วยปวดหัวเรื้อรังนะปวดท้องเรื้อรังความดันสูงนะหรือว่าความเศร้าโศกที่มันทําให้กายเป็นซึมเศร้าหรือว่าทำให้ไม่สามารถจะทนอยู่ในโลกนี้ได้ก็ฆ่าตัวตาย ทุกวันนี้เนี่ยภัยที่น่ากลัวและคุกคามผู้คนอยู่แทยตลอดเวลาหรือว่าแทยไปทุกวันแลยก็คือภัยจากภายนเนี่แหละก็คืออารมณ์อารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลและบางทีมันก็ทำให้เกิดความกลัวเกิดความวิตกโดยใช่เหตุ ความเครีดส่วนเกิดจากความวิตกกังวลด้วยนะวิตกกังวลในสิ่งที่มาไม่ถึงนะอยู่ในป่านี่ก็มีความกลัวนะมีความวิตกกังวลอีกแบบหนึง่งนะถ้ามันมาจากไหนความกลัวความวิตกกังวลเนี่ยก็มาจากใจนะใจที่ปรุงแต่งโดยที่ไม่รู้ทันะสรรหาจินตนาการสิ่งที่ชวนให้หวาดกลัวทั้งที่ ใจเราเป็นทุกข์นะเมื่อเราจินตนาการไปอย่างนั้นแต่มันก็ไม่หยุดจินตนาการไม่หยุดปรุงแต่งสักทีนั้นแต่ว่าเรามีใจนะเรามีสตินะที่เอาไว้ใช้รับมือกับภัยอันตรายนะภายในได้ตาหูจมูกร่างกายเอาไว้รับมือกับอันตรายภายนอกสตินี่เอาไว้รับมือกับอันตรายภายใน ที่ปัญญาเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เอาไว้ใช้ในการจัดการกับอันตรายหรือความทุกขนะ์ที่มันกาะกลุ่มจิตใจนะและสติกับปัญญานี่ก็ม า, มาด้วยกันนะแต่ระหว่างสติกับปัญญาก็มีอีกตัวนะึงคือความรู้สึกตัวนะสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญ ะ, ะความรู้ตัว ระ ล, ลึกได้นี่ก็อย่างที่บอกเวลาเราระ ล, ลึกได้มันมีหลายหลายระดับมันมีสองระดับระ ล, ลึกได้สิ่งนอกตัวกับระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจคือเราสมรติสติความรู้ตัวสัมปชัญญะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องมือในการรักษาจิตนะที่สําคัญมากนะนะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมี ปัญญานี่มันก็ช่วยทําให้เราสามารถจะดำเนินชีวิตได้มีความสุขไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความทุกข์มาคุกคามนะก็มีความแก่ความเจ็บความพัดพราดอันนี้ก็เป็นก็เป็นภัยนะซึ่งไม่มีไม่มีทางหนีพ้นรวยแค่ไหนยิ่งใหญ่เพียงใดก็ต้องเจอกับความทุกชนิดนี้ทั้งสิ้นนะแต่ว่า ปัญญาและสติช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์นะแกก็แก่แต่กายนะแต่ใจก็ไม่ไทุกข์ไปด้วยนะป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยถึงเวลาตายนะก็ไม่ได้ทุกข์ทรมาใจก็ไม่ไทุกข์ทรมารอะไรเป็นเรื่องของกายที่มันแตกดับไปอันนี้พอสติสำคัญในะการเจริญสติหรือที่เราสติปัฏฐานเนี่ยมันจึงเป็น หัวใจพื้นฐานของการทำกรรมฐานแบบพุทธการเจริญสติเนี่ยนะถ้าจะว่าไปเนี่ยพูดอย่างเข้าคร่าวอย่างหยาบๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองหมวดหรือสองโหมดนะนะอันแรกเนี่ยก็คือว่าให้เป็นเรื่องของการทำความรู้สึกตัวเมื่อเมื่อกายนะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่ในเรียบทต่างๆ อันนี้ผู้เจ้าะตัดไว้นะยกตัวอย่างเวลละเอียดนในในในหมวดที่เรียกว่าสัมปชัญญะปัปพะนะปัปพะก็คือบัปพะหรือก็คือส่วนหรือแผนกเช่นผู้เจาะตัดไว้ในทำความสึกตัวนะเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเดี่ยวซ้ายแลข ว, วาเวลาทรงบาทเ ว, าาวเวลาสไพจีวรอ่าเวลาสไพสไพบาทเวลา สงสังคาติสงหวมสวนจิวรหรือถ้าเทียบกับคาราวาคือการแต่งกายใส่เสื้อผ้ากินดื่มเคี้ยวลิ้มนะอุตราปัสวะเวลาคู่ขาเยดา็ดขาก็ให้ทำความสุดตัวหรือรู้สึกตัวในขณะที่ทำอีเดียบทเหล่านั้นรวมทั้งการยืนการเดินการนั่งการหลับนะ นิ่งพูดนะก็ให้มีความสุกตัวอันนี้เนี่ยก็คือรู้กายนะพูดง่ายๆคือรู้กายเวลากายทำอะไรหรือใช้กายทำอะไรเนี่ยนะก็ให้รู้กายในเรียบท่างๆอันนี้คือหมวดหนึ่งนะอีกหมวดนึงคือว่าเวลาเกิดผัสสะขึ้นมานะตากรทโถโลหูดินเสียงนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะส่งผลต่อจิตนะก็คือจิตมีความยินดีลายมีความชอบความชังหรือใจกระเพื่อมก็ให้มีสติรู้นะให้มีสติรู้อันนี้เรียกว่ารู้จิตนะรู้จิตนะสติประฐานสี่มันจะมีรู้กายนะรู้เวทารู้จิตนะเมื่อเกิดภาษาขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเกิดเวทาก่อนเป็นอย่างแรกนะ เช่นเท้าเราขณะที่เราเดินขณะที่เราเดินจงกรมเราเดินเดินเดินรับปรุณลเนี่ยเมื่อเท้าเราขยื่นนะแขนเราขยับเราก็รู้นะรู้ว่ามันมีร่างกายที่ขยื่นขยับอยู่อันนี้เรารู้กายแต่พอเท้าเราเหยียบหินนะมันเกิดทุกขเวทนาขึ้ น, นคือความเจ็บนะตรงนี้แหละก็ให้มา ให้มารู้เวทนาและขณะเดีกันก็ให้ไปรู้ใจด้วยนะว่าเมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดความเจ็บใจมันเป็นอย่างไรจะมั น, เ ป, นเป็นปฏิกิริยาอย่างไรใจไม่ชอบใจเกิดโทสะใจเกิดความชังมีอาการผักใสใจมันบ่วนวายตีโพยตีภายใจมันอยากจะให้เวทนาหรือความเจ็บป่วยนะั้นมันหายไปเร็วก็ให้มารู้ใจตรงนี้ด้วย เวลาหูได้ยินนะคําด้ยินเสียงเสียงนกร้องมันเกิดความดีใจเกิดความเพลิดเพลินนะก็ให้รู้นะให้รู้ทั้งสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนะเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็ให้รู้ใจนะให้เห็นถึงความชอบใจความอยากที่จะให้เสียงนั้นมันอยู่มันมันเกิดขึ้นไปนาน ก็ให้เห็นมันรู้ทันมันเวลาเจอหรือได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ไม่ชอบขึ้นมานะใจไม่ชอบเกิดความชังเกิด อ, อาการผักสายก็ให้เห็นมันรู้ทันมันอันนี้เรารู้ใจนะหรือว่ารู้จิตทั้งสองส่วนเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้นะควบคู่กัน แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยโดยเพราะการเดินยมกมือการสร้างจังหวะเนี่ยมันจะใช้หมวดแรกเป็นหลักนะก็คือรู้ตัวเมื่อกายเคลื่อนไหวนะเมื่อยกมือเมื่อเดินนะเมื่ อ, อลุกขึ้นยืนนะรู้ตัวในส่วนหมวดที่สองเนี่ยหรือหมวดที่สองเนี่ยก็คือว่าให้มีสติเมื่อเกิดผัสสะเนี่ย อันนี้จำเป็นมากแล้วใช้บ่อยนะเวลาเราต้องไปเจอผู้คนหรือว่าไปอยู่ในโลกกว้างกลับไปสู่บ้านของเราที่ทำ ง, งานของเราเนี่ยมันจะเจอมันจะเจอผัสสะเยอะแล้วการเจอสิ่ง ม, มันจะเตือนให้เราตระหนักว่าเนี่ยเมื่อตายเห็นรูปเนี่ยนะหูที่ได้ยินเสียงนะจิตเนี่ยก็ไม่ให้มีสตินะรู้ใจด้วย มันจะทำควบคู่กันขณะที่ตาเห็นรูปสติก็เห็นใจที่เกิดเพื่มเมื่อเท้าเหยียบกรวดสติก็เห็นเวทนาและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมันต้องมันต้องไปแบบนี้นะไอ้ตาที่ทำหน้าที่รับรู้สิ่งภายนอก แต่ขณะเดียวกันเมื่อเกิดการกระทบกันขึ้นเนี่ยจิตมันก็จะมีปฏิกิริยาอันนี้เป็นงานของสติที่จะต้องมารู้ทันพวกนันคือว่ารู้นอกรู้ในไปพร้อมๆกันหรือว่าไล่ๆกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอตาเห็นรูปนี่จิตมันก็ส่งออกนอกเลยไปที่รูป ไม่ว่าจะชอบหรือชังไม่ว่าจะอยากครอบครองหรือผลักสเวลาหูาได้ยินเสียงเนี่ยจิตเนี่ยมันก็พุ่งออกนอกเือนกันนะไปที่ต้นเสียงนะผลักสก็ดีฝ่หาก็ดีนะขณะที่เกิดภัยเกิดอันตรายกับใจแล้วเนี่ยเช่นความโกรธความเกลียดหรือความโลภ ราคามันไม่มีมันไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องบอกหรือเป็นเครื่องรักษาใจเลยปล่อยให้ไฟกรดมันเผาใจนะปล่อยให้ความเกรียดมันกรีดแทงใจเนี่ยปล่อยให้ความวิตกกังวลมันบีบคั้นใจพราะอะไรเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกไปซะละนะหรือพูดงา่ายงคือสติไม่ทำงาน ก็กลายเป็นว่านะัยหรืออันตรายจะปกปิดมันก็เล่นงานจิตใจเนี่ยถ้าคนเราเนี่็เป็นอย่างนี้นะก็คือว่ามันปล่อยให้ใจเนี่ยไล้เครื่องคุ้มกันไล้ผู้รักษาการเจริญสติเนี่ยนะถ้าเจริญสติถวิธีเนี่ยนะเมื่อใดก็ตามที่เกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ย ตาทตายเห็นลูกหูเดินเสียงนะสติมันก็เห็นเห็นใจเห็นความโกรธเห็นความเกลียดที่เกิดขึ้นมันไปสองทางเลยนะคือรูนนอกและรูนในตานี่เอาไว้ใช้รู้นอกสติก็ทํางานรูนในแต่ว่าไอ้ที่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีอะไรสติไม่ไมัน ไ, ไ, ไ, ไม่มาทํางานในการที่รู้ข้างใน เช่นเวลาเท้าเราเหยียบเท้าเราเหยียบปวดนะเท้ารเา ร, เรนะาหรเหยียบหินเนี่ยจิตมันก็ไปปักตึื่นตรงเท้านี่แหละไปจดจ่อยตรงที่ปวด น, นั่นแหละบอกกัว่าใจนี่ก็เป็นทุกข์ใจนี่ก็บ่นวอยวายนะมันก็บ่นอย่างนั้นแหละมันก็มันก็บ่นเอาแต่บ่นวอยวายนะมันไม่อยู่สักทีเพราะว่าสติไม่ทํางานในกรณีแบบนี้เนี่ยนะเมื่อเท้าเหยียบหินนะสติต้องกลับไปดูใจนะ มันต้องทำควบคู่กันไปจ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะทำ บ, บ่อยๆทาบ่อยๆเนี่ยนะก็เรียกว่าเราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะที่ตาหูจมูกนะพาตัวเราหลบเรี่ยงอันตรายก็มีสตินะพาจิตออกจากอันตรายที่คุกคามภายใน มันก็จะเกิดความโปร่งโล่งเบาสบายจำเป็นมากนาะที่เราจะต้องเอาการปฏิบัติสองแบบเนี่ยนะสองหมวดหรือสองโมดเนี่ยนะทำให้เข้คาคล่องทำให้ชำนาญเวลาใช้กายทำอะไรก็ให้มีความรู้สึกตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอาบน้ำถูฟันเดินขึ้นบันไดจะวิเคยา่หไม่สำคัญ แต่บางคนก็คิดว่าปล่อยใจลอยดีกว่าหรือไม่ก็การที่ทํากิจเหล่านี้ก็ใจก็ลอยคิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดว่าเออทำสองอย่างพร้อมกันดีเป็นการประหยัดเวลาการที่อาบน้นก็คิดเรื่องงานเรื่องการกนะารที่กินข้าวนะก็วางแผนนะวางแผนการไปเที่ยววางแผน ว่าจะคุยประชุมอย่างไรสมัยนี้มันหนักมันคนคิดว่าทําเงี้ยดีนะเพราะว่าเป็นการใช้เวลาให้ใหเกิดประโยชน์คุ้มค่าแต่ไม่รู้ไม่ตระหนักว่า ท, ท, ท, ทีนี้มันจะทําให้จิตเนี่ยขาดสติแล้วก็บรรทอนสมาธิมาแล้วก็ทําให้ในที่สุดเนี่ยหยุดความคิดไม่ได้นะพราะกินก็คิด เวลานอนมันก็เลยเผื่อคิดไปด้วยใช่ความคิดตลอดเวลาสุดท้ายความคิดมันก็เป็นนายเราไม่สามารถสั่งให้มันจุดได้มันมีแต่จะปลุกเราให้ตื่นเพื่อที่จะคิดคิดคิดคิไปเรื่อยๆเอาคนเดียวนี่ในความคิดปล่อยให้ความคิดเป็นนายเนี่ยไม่ใช่เป็นนายไม่ใช่ให้ตัวเองเป็นนายความคิดความคิดมันสั่งให้เราตื่น อย่านอนอย่านอนอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนตื่นก่อนตื่นก่อนมามาคิดต่อนะคิดจบแล้วก็ยังมันยังไม่หนำใจมันก็คิดเรื่องน้นต่อแล้วก็กระโดดไปคิดเรื่องนั้นต่อเป็นน้ำว่าทั้งคืนไม่ได้หลับเลยนะเพราะแต่คิดคิดคิดคิดอันนี้เราบอกความคิดเป็นนายเราแล้วอันนี้ก็เพราะว่าการสร้างนิสัยอย่างที่ว่ามาแล้คือเวลากายทําอะไรเนี่ยแทนที่จิตมันจะอยู่กับกาย แทนที่จะจิตรับรู้กายเต็มร้อยมันเราสั่งให้มันคิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีแรกเราสั่งมันนะแต่ปลัมามันจะสั่งเรานะคนที่คิดไม่หยุดนะสุดท้ายความคิดมันก็สั่งนะให้ดา่าสั่งให้ทำร้ายตัวเองสั่งให้กระโดดลงไปจากตึกนะสั่งให้กินยาฆ่ามแมลงทำร้ายตัวเอง อันนี้เรียกว่าปล่อยให้ความคิดเป็นนายสุดท้ายมันก็กลายเป็นเป็นภัยกับตัวเรางั้นถ้าเราสร้างนิสัยใหม่นะคือว่าทำอะไรเนี่ยเวลากายทำอะไรใจก็อยู่กับกายเต็มร้อยรับรู้กายทุกอย่างนะอย่างต่อเนื่องก็คือความรู้สึกตัวให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวและในขณะเดียวกันเวลาเกิดผัสสะ นะไม่ว่าภาษาทางตาก็จะหมือร่างกายก็ให้มีสติไปดูเวทนาไปดูใจนะแบ่งก็ทํางานนะนะตาก็รับรู้รับรู้สิ่งภายนอกส่วนสติก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันต้องแบ่งงานกับทําไม่ใช่นะส่งจิตออกนอกหมดนะมันก็ก็ปล่อยให้ใจนะไม่มีเครื่องคุ้มกันก็เสร็จท่านั่นแหละ เอาละคำนี้พฟโตนนี้